วิธีสละสันธัดที่เป็นนิสกีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาสงหฮมอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่ปัรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันธัดพื้ น, นี้ของกระผมใช้ทำย่อนกว่าหกปีเป็นนิสกีเป็นไว้แต่ภิษุผู้ได้สมมติกระผมสละสันทัดพื น, นี้แก่สงครั้งสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงขึ้นสันทัดที่เธอสละให้ด้วยยติกรร ม, มวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสันทัดเพลิ น, นี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้สันทัดเพลิ น, นี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปหอมอุตราสงฆ์เวีวงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันตัดพื้นนี้กระผมใช้ให้ทำย่อนกว่าหกปีเป็นนิสกีเว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติกระผมสละสันตัดพื้นนี้แก่ท่านทั้งหลายขั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนสันตัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสันตัดพืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกี สละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สันทัสเพื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเ์เฉวงบาข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับสันทัดเพื่อนี้กระผมใช้ธรรมย่อนกว่า6ปีเป็นนิสกีเป็นแวะแต่ภิกษุได้สมมุติกระผมสละสันทัดเพื่อนี้แก่ท่าน ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนสันตัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันตัดเพื่นนี้ให้แก่ท่าน